ไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลยมีไหมยังไม่มีพระพุทธเจ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ท่านเสียไปแล้วตอนปฏัจจุบันยังครับก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าถ้าทําได้แม่เสียไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ ส่งค้นหาว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงมีพลังจิตสามารถที่จะส่งกระแสจิตหาดวงวิญญาณของพระพุทธมารดาได้พอได้ส่งพบวิญญาณของพระพุทธมารดาที่ไปจุติอยู่บนสวรรค์ เ่าก็ส่งติดต่อแล้วก็ส่งแสดงธรรมให้ฟังมีระยะเวลาหนึ่งพันษาด้วยกันที่พระองค์งแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาการท่งกระแสจิตก็คือการเข้าสู่สมาธิเวลาจิตสงบแล้วถ้าจิตมีพลังพอ ก็สามารถที่จะติดต่อกับกายทิดต่างๆได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเทวด า, อ, าอินพร ม, มจิตของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ก็ติดต่อได้ติดตามได้หรือจิตของอของเปรตของอสัตว์ทีอ่อยู่ในอบายก็ติดต่อได้ พระองค์ก็ทรงใช้ความสามารถของพระองค์พลังจิตของพระองค์และพระธรรมที่ทรงได้ตัดสร่นี้นำไปทดแทนบุญคุณให้แก่พุทธมารดาด้วยการสั่งสอนแสดงธรรมจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาริยบุคคลขั้นทีนึง ผูที่ได้บรรลุเป็นพระสูดามานแล้วนี่ก็จะปีพพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้และเจ็ดชาติที่ต้องกลับมาเกิดนี้ก็จะไม่ต้องเกิดในอบายพ้นจากอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นวสุ ร, รกายเป็นนรก พระพุทธเจ้าบอกนี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่สมบูรณ์ที่สุดคือทำให้ท่านไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายและทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อมาเพราะเมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้ก็จะสามารถพัฒนาจิตใจ ให้ขึ้นสู่พระอริยะบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้โดยโด้วยตนเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอาหารหันต์มาสั่งสอนพอรู้ทางคำว่าโสดาแปลว่ากระแสโสดาบันนี้แปลว่าผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เหมือนกับเราถ้าเราได้เข้าสู่กระแสน้ำที่พัดพาไปสู่ทะเลถ้าเราอยู่ในกระแสน้ำไหลไปตามกระแสน้าเดี๋ยวกระแสน้ำก็จะพัดเราไปสู่ทะเลเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้อยู่ในกระแสนั้นไปเรื่อยๆก็จะไปถึงทะเลได้ กระแสของพระนิพพานก็เช่นเดียวกันผู้ใดได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วกระแสนี้ก็จะพาให้ไปสู่พระนิพพานในที่สุดแต่ยังไม่ถึงพระโสดาบันนี้เป็นเหมือนผู้เริ่มเข้าสู่กระแสขั้นต่อไปก็ต้องให้กระแสนี้ไหลาพาไปไปสู่พระอริยบุคคลขั้นที่สองคือพระสกิรดาคามี ไปสู่พระอริยบุคคลขั้นที่สคือพระอณาคาีแนะไปสู่พระอริยบุคคลขั้นที่สคือพาอาระอรหันต์พอได้ถึงขั้นพาาระาอารหันต์แล้วก็ได้ถึงพระ น, นิพพานพระโสดาบันนี้ถึงแม้จะกลับมาเกิดคราวหน้าแล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจแล้วถ้าเป็นผู้เดินทางก็มีแผนที่ติดตัวไปแล้วฉั้ไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทาง เ, าเพราะว่าจะมีแผนที่คอยบอกบอกทางตลอดเวลาแผนที่ที่ทําให้พระอริยบุคคลพระพุทธชนอย่างพวกเรานี้เป็นพระอริยบุคคลก็คือ พระอริยสัจสี่ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัจคือความจริงสประการด้วยกันประการเรียกว่าข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกทุกทุกขสัจ ข, ข้อที่สองเรียกว่าสมุ ท, ทยัทยสัจข้อที่สเรียกว่าลีโรตัสสัจและข้อที่สเรียกว่ามรคสัจ ด้วการง่ายๆว่าทุกสมุทัยนี่รุดมากพระโสดาบาันเห็นทุกในใจเห็นว่าทุกในใจนีเกิดจากความอยากคือกามาตัะหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหากามตัะหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวะตัญหาคือความอยากได้ได้เป็นได้มีได้เป็นเช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขและวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาเช่นราบยศสรรเสริญสุขไปนี่คือความอยากสาประการที่ทาให้สัตว์โลกต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันทุกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายพอเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงที่ ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาดลาดจากกันพระโสดาบันเห็นแล้วว่าเหตุที่ทําให้มาเกิดก็คือความอยากทั้งสามประการนี้ท่านก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้แล้วท่านก็เห็นวิธีที่จะดับความอยากเหล่านี้เพื่อให้ความทุกข์ต่างๆดับไปก็คือมรร มักก็คือทางสู่ความหลุดพ้นท่านเห็นทางสู่การหลุดพ้นแล้วคือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะผู้ใดมีศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้พอหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้ ภพชาติหรือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหยุดเพราจะไม่มีการมาเกิดอีกแล้วสําหรับผู้ที่หยุดความอยากทั้งสามได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขความอยากไม่เสียลาบยศสารเสริญสุขไปพอดับความอยากเหล่านี้ได้แล้วก็จะ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปทีพระโสดาบันนี้ท่านยังดับได้เพียงบางส่วนยังดับไม่ได้หมดก็ต้องทำหน้าที่ดับต่อไปยังมีความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจพระโสดาบันนี้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ยังหยุดความอยากในการอารมณ์ไม่ได้ ยังมีความอยากที่จะเสกกางยังมีความอยากที่จะมีแฟนมีสามีมีภรรยาถ้าอยากจะไม่มีก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญมักคือปัญญาปัญญาที่จะดับความอยากในการอารมณ์ได้ก็คืออสุภะคือการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย ดูส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายส่วนที่ไม่ดูน่าดูของร่างกายนี้ก็มีอยู่แต่เราไ ม, ไม่ชอบมองกันหรือเราปิดกันไว้หรือมองไม่เห็นเพราะถูกหนังหุ้มห่อเอาไว้ร่างกายเราเราจะเห็นเพียงแต่อาการห้าส่วนคือเห็นผมขนและฟันเนท่านั้นเอง อย่างี่สิบเจ็ดส่วนนี้เรามองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันเพราะว่ามันไม่น่าดูนั่นเองอ ะ, อะไรที่ไม่น่าดูก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเ<ม>ช่นเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ยืนในสมองศีรษะแล้วก็น้ำต่างๆในร่างกายน้ําดีน้ําเสลจน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงือน้ํามันค้นน้ํามันเหลวน้ําตาน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อแล้วก็น้ํามูดนี่คือส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นเพียงแต่ ผมขนแลบฟันหนังแล้วเราก็หลงไหลกับผมขนแลบฟันหนังเห็นใครมีผมสวยมีหนังสวยก็หลงไหลชื่นชอบอยากจะได้มาเป็นแฟนอยากจะร่วมหลับนอนด้วยพระอาจารย์สอนว่าต้องดูตอนที่ไม่น่านดูบ้างดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปบ้างเวลาร่างกายกลายเป็นศพนีม่มีใคร ยังอยากจะเอาไว้เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเปล่าถ้าเกิดสามีภรรยาของเราตายในวันนี้เราจะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าหรือเราจะยกให้สับปเปลือกไปยกให้วัดไปนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหยุดการมาลงได้เราต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมองตอนที่ร่างกายตายไป หรือตอนที่ร่างกายแก่หนังเหี่ยวย่นผมขาวผมร่วงสีสาโลน้นหรือมองเข้าไปภายในใต้ผิวหนังดูอาการต่างๆดูหัวใจ ม, ม้าตับไตปอดลาไส้กระเพาะเอ๋ ถ้าเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีการอารมณ์ไม่มีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาไม่มีความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนแล้วก็จะทําให้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาที่เราอยู่คนเดียวกันไม่ได้ต้องมีแฟนก็เพราะความอยากนี่เองอยากในกามอารมณ์อยากจะเสพกามกับ กับแฟนกับสามีกับภรรยาหรือกับใครก็ได้เวลาไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวไม่ได้เสพนี้จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเองมนุษย์เราจึงต้องมีคู่ครองกันต้องมีสามีมีภรรยามีแฟนกันก็เลยทําให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันหรือกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานกัน เพื่อที่เราจะได้มีร่างกายไปมีแฟนกันเราต้องมีร่างกายของเราก่อนพอเรามีร่างกายของเราแล้วเราก็ไปมีนะไปได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นแฟนมาเป็นคู่หลับนอนด้วยแต่ถ้าเราเห็นว่าคู่หลับนอนของเรานี่เป็นเหมือนผีเป็นเหมือนคนตายเพียงแต่รอเวลาหยุดหายใจเท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็กลายเป็นผีขึ้นมาทันที ก็จะไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาต่อให้รักกันขนาดไหนพอไม่หายใจแล้วก็ไม่เอาแล้วเคยนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้พอวันนี้ตายแคืนนี้ไม่นอนด้วยกันแล้วให้คิดถึงผีเวลาเราคิดถึงแฟนให้คิดถึงเวลาเขากลายเป็นผีเราเขากลายเป็นถีแล้วเราก็จะไม่อยากจะได้เขาแล้ว ไม่อยากจะนอนกับเขาแนละ้วนอนคนเดียวดีกว่านี่คือวิธีแก้กามอารมณ์ถ้าทำได้เพียงบางส่วนบางเวลาคือทำให้เบาบางทำให้กามอารมณ์ให้เบาบางลงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดาคามีพระสะกิดาการีนี้จะลดความอยากความ ความกำหนัดในการอารมณ์นี้ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งถ้าทำได้เบาบางลงไปครึ่งหนึ่งก็ได้ประลกขั้นที่สองพระโสดาบันนี้ยังมีการอารมณ์เต็มร้อยอยู่ยังอยากมีแฟนอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่แต่พระโสดาบันนี้ต่างจากพระปุถุชนพวกเราก็คือท่านไม่กลัวตายท่านไม่กลัวเจ็บ ท่านมีพัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่กลัวยอมรับความจริงถึงเวลาแก่ก็ยอมแก่ถึงเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยก็ยอมเจ็บถึงเวลาตายก็ยอมตายแต่ท่านยังมีความอยากในการอารมณ์อยู่ยังอยากมีแฟนยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่ ท่านถ้าท่านอยากจะหยุดการอยากจะมีสามีภรรยาอยากมีแฟนก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายพอเห็นความไม่สวยงามมันก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าจะให้หยุดความอยากได้อย่างถาวรนี้ต้องเห็นตลอดเวลาถ้าบางเวลาเห็นบางเวลาไม่เห็นนี่เวลาเห็นไม่สวยงามก็ไม่มีความอยาก ออไปเห็นว่าสวยงามก็อยากขึ้นมาได้อันนี้เป็นพระสกิดาคามีท่านเห็นบางเวลาบางเวลาไม่เห็นบางเวลาลืมอพอเห็นใครสวยๆงามๆรูปหล่อลืมแต่ถ้าอยากจะไม่ลืมก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเห็นใครก็มองให้เห็นว่าเป็นศพ มองให้เห็นอาการ32สองอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นตลอดเวลาพอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามตลอดเวลาต่อให้เห็นนางงามจักรวาลเห็นนายแบบเห็นนางแบบก็จะเห็นตับไตใส้พุงเห็นกระเพาะลำไส้เห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นโครงกระดูกเหมือนกับหมอเนี่ยหมอที่เขาศึกษาสรีระร่างกาย ศึกษากายวิวภาคนี่ยเขาจะเห็นอาการต่างๆถ้านบอกากระดูกนี่มองทีเขาก็จะเห็นกระโหลกศีกรษ ะ, ะเห็นโครงกระดูกเห็นก ร, กระดูกแขนกระดูกขากระดูกนิ้วกระดูกมือเห็นถ้าเห็นร่างกายเห็นโครงกระดูกของร่างกายก็จะไม่มีความอยากเนี่ยที่เราหลับนอนนี่เราหลับนอนกับโครงกระดูกกันด้วยปล่า เพียแต่มีหนังมีหุ้มหอ่อปกปิดแม้ทําให้เรามองไม่เห็น น, นั่นเองถ้าเกิดหนังมันใสเป็นเหมือนถุงพลาสติกเนี่จะจะนอนกับร่างกายคนอื่นได้ไหมลองคิดดูถ้าเกิดผิวของเรานี่มันใสเหมือนกับถุงพลาสติกเนี่ยห่ออะไรก็เห็นหมดเลยเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นโครงกระดูกถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ ไม่มีความอยากนี่คือการปฏิบัติสู่ขั้นที่สามคือพระอนาคามีถ้าตัดความอยากในการอารมณ์ได้ตลอดเวลาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นเทวดาแต่จะต้องไปเกิดเป็นพรหมเพราะว่ายังไม่หลุดพ้นยังมีความอยากมีความสุข ทางด้านจิตใจอยู่ยังอยากมีความสุขในใจอยู่พระพรมนี้มีความสุขในใจพระพมนี้ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีแฟนมาให้ความสุขพระพมนี้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้แต่ความสงบที่ได้นี้ยังเป็นความสงบที่ไม่ถาวรยังทำให้ทุกข์ได้อยู่ ต่อไปพระพรมก็จะรู้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงก็ต้องปล่อยวางไม่มีความอยากที่จะมีความสุขกับความสงบตัดความอยากที่อยากจะมีความสุขจากความสงบได้ทีนี้พอตัดความอยากได้ไปหมดความสงบก็กลายเป็นความสงบที่ถาวรขึ้นมาทันที เพราะความสงบที่ไม่ท้าวรเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้มันเสื่อมไปพอไม่มีความอยากที่จะมีความสุขกับความสงบความสงบก็เลยกลายเป็นความสงบที่เที่ยงแท้ท้าวรไปเป็นนิพพานไปนี่คือเรื่องของการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม แล้วเรามาปฏิบัติกันวันนี้เรามาทำทานกันั้นต่อไปก็มารักษาศีลกัน้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลห้ากันหัดรักษาศีลห้ากันไปต่อไปก็รักจะรักษาได้อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อว่าว่าการมีศีลมีสมาธิมีปัญญา จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีศีลนี่ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันถ้าเราเชื่อเราก็อยากจะรักษาศีลกันขึ้นมาเหมือนกับซื้อประกันภัยที่เราซื้อประกันภัยเพราะอะไรเราเชื่อว่าเวลาเกิดภัยเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆเราจะได้รับการชดเชยเช่นเราซื้อประกันภัยรถยน เวลารถยนต์ไปชนกันนี้บริษัทประกันเขาก็รับเอาไปซ่อมให้เราไม่ต้องเสียสตางค์เราจึงยอมเสียสตางค์ซื้อประกันกันอันใดถ้าเราเชื่อว่าการรักษาศีลนี้จะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็รักษาศีลซื้อศีลมารักษากันก็เหมือนซื้อประกันรักษาศีลห้างก็เหมือนซื้อประกันภัยให้กับใจเรา ใจของเราก็จะพ้นภัยจากการไปเกิดในอบายพระพุทธเจ้าสอนพุทธมารดาให้พ้นภัยจากการไปเกิดในอบายด้วยการให้รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดให้รักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตพระโสดาบันนี่ท่านยอมตายดีกว่าทำผิดศีลเพราะท่านเห็นว่าความตายนี้ไม่มีอะไรเสียหายเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคน ตายแล้วไม่มีผลเสียหายตามมาแต่ถ้าทําบาปนี้ตายแล้วมีผลเสียหายตามมาเพราะถ้าทําบาแเราตายไปต้องไปใช้บาปในอบายเอ็นพระโสดาบันนี้ก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถึงแม้จะเจ็บขนาดไหนถึงแม้จะตายก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดยอมยอมเจ็บยอมตายเช่นถ้าอดข้าวไม่มีอาหารไม่มีเงินซื้ออาหาร ก็จะไปไม่ไปยิงนกตกปลาก็จะกินผักกินอะไรไปจะไม่ไปยิงนกตกปลาเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียได้กินอาหารแต่ต้องตายไปต้องไปเกิดในอบายสู้อยากกินเนื้อสัตว์ดีอว่าอยากฆ่าเนื้อสัตว์ดีกว่ากินผักกินข้าวไป ตายไปก็จะได้ไม่ต้องไปใช้บาปในอาบายกันนี่คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติกันทำทานแนละ้วเพื่อที่ทาทานเพื่อที่จะทำให้ใจเรารักษาสีได้ถ้าเราไม่ทำทานนี้เราจะอยากได้เงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะๆก็เดี๋ยวก็ต้องไปทำบาปเพราะว่าถ้าไม่ทำบาปมันได้ได้น้อยได้ช้าได้ยาก แต่ถ้าทำบาปนี่มันได้ง่ายได้เร็วโกงทีนี่ได้หลายร้อยหลายพันทำงานวันทั้งวันเดอวันละสามร้อยบาทขั้นแรงขั้นต่ำถ้ามีคอร์รัปชันนิดหน่อยอาจจะได้ทีละหมืนสองมื่นก็จะทำให้เราอยากจะทำบาปกันไม่อยากจะรักษาศีลกันแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราได้มาจาก การทําบาบนี้เอาไปทําบุญต่อไปเราก็จะไม่อยากจะทําบาปได้เงินมาแล้วก็เอาไปทําบุญก็เลยไม่รู้จะไปทําบาเพื่อเอาเงินมาทําบุญทาไมวิธีทําบุญนี้ก็เพื่อที่จะตัดความอยากใช้เงินใช้ทองตัดวิธีหาเงินทองด้วยการทําบาปนี่คือการทําบุญทําทานเพื่อที่เราจะได้ ไม่มีความอยากจะใช้เงินใช้ทองแบบฟุ่มเฟือยเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเส้นกายมันเหมือนกับซื้อยาเสพติดซื้อแล้วมันติดไปเที่ยวแล้วมันติดต้องเที่ยวอยู่เรื่อยเราไม่มีเงินเที่ยวก็ต้องหาเงินโดยวิธีทำบาปกันคอร์รัปชันกันช่อโกงกัน แตถ้าเราไม่เอาเงินไปเที่ยวเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำบาปทำคอร์รัปชันกันเพราะเราอยู่บ้านได้เราไม่ต้องหาเงินโดยวิธีไม่ถูกต้องนี่คือการทำบุญนี่จะทำให้เราเป็นเป็นคนใจบุญคนใจบุญนี่จะไม่ชอบทำบาปนั่นเองจะทำให้เรารักษาศีลห้าได้ อันนี้ถ้าเรายังรักษาสีหน้าไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ชอบทาบุญกันเรายังชอบทำบาปเพราะเรายังอยากได้เงินทองไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันแต่ถ้าเราหยุดซื้อของฟุ่มเฟือยหยุดเที่ยวได้เราก็จะไม่ต้องทำบาปกันเราทางานด้วยอาชีพสุจริตเงินทองได้มาก็เอามาใช้กับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นซึ่งมีไม่มากาอาหารเนี่ย คาเสื้อผ้าค่ายารักษาโรคก้าที่อยู่อาศัยถ้าทาโดยสุดเจริญนี้ค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยนี้ก็พออยู่ได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่อโกงไปทำผิดทำบาปการทำบุญนี้เป็นการเป็นการทำใจให้เราเป็นใจบุญใจกุศลเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำบาปต่อไป เราก็จะรักษาศีลห้าได้ฝนมาล้างขยับเข้ามาข้างในได้นะที่นี่ก็ได้นะหลังนู้นก็ได้มีสองที่เข้ามาข้างในได้นะเขาไม่อมตอแล้วมั้งพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญกัน เพื่อเราจะได้เป็นคนใจบุญก็เราเป็นคนใจบุญแล้วเราก็จะได้ไม่ทาบาป ก, กันเราก็จะรักษาศีลห้าได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าทำบุญแล้วก็รักษาศีลห้าได้ตายไปก็จะไปนับผลบุญ การไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปเที่ยวต่างประเทศนี่เองแล้วพอบุญหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศเพอเงินหมดเราก็กลับบ้านกลับมาทำงานใหม่เวลาเราตายไปถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปนี้ตายไปเราก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนก็สวรรค์คืออะไรท่องเที่ยวในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ เหมือนตอนที่เรานอนหลับเราฝันดนะีเวลาที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายพาเราไปไหนใช่ไหมแต่ใจเรายังไปได้อยู่นะไปด้วยบุญนะตอนที่เรานอนหลับที่เราฝันดีนี่เป็นพ่อบุญทําให้เราฝันดีแล้วถ้าเราตายไปร่างกายตายไปมันก็จะฝันมันก็จะฝันดีไปจนกว่าจะหมดมันหมดมันก็มาตื่นมาได้ร่างกายอันใหม่ มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะกลับมารับเงินทองที่เราได้ทําบุญไว้เงินทองที่เราทําทั้งหมดนี้ไม่สูญหายไปไหนเหมือนเอาเงินไปฝากในธนาคารพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เราทำเท่าไหร่เราก็จะได้มากกว่าที่เราทําไว้เพราะนอกจากต้นเงินต้ น, ตนแล้วยังมีเงินดอกด้วยยังมีดอกเบีย้ยด้วย คนที่ทำบุญยกตัวอย่างพระเวชสันดร น, นี่ทำบุญมากพอตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเกิดในอยู่ในสวรรค์พอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชโอรสมีราชทัพมีปราสาทสามฤ ด, ดูนี่เป็นบุญเรื่องเงินทองของพระเวชสันดรทำเอาไว้ พอพระเวชสารนอนกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธทัตถะก็มาเบิกเงินทองที่ทำเอาไว้ใครที่ทำบุญทำทานไว้นี่กลับมาจะมีเงินเก่ารอเราอยู่จะกลับมารวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าอันนี้คือประโยชน์จากการทำบุญทำทานแล้วก็การรักษาศีลจะทำให้เราเวลาตายไปไม่ต้องไปเกิดแนวไป อาบายก็คือ ต, ตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ยเวลาฝันร้ายเป็นยังไงบางคนตื่นฝันจะก้ะทั่งตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกทั้งตัวอันนี้ก็เป็นเพราะบาปที่ทำไว้มันจะทำให้เราฝันร้ายกันแล้วพอเวลาไม่มีร่างกายมันก็จะฝันยาวฝันไปจนกว่าบาปที่ทำไว้มันจะหมดแรงแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนามาเกิดมายากจนเพราะตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ทําบุญไม่ลับาปจะเอาแต่เอาเงินไปทำไปเที่ยวไปกินไปเล่นกันแล้วพอหมดก็ไปหามาด้วยการทําบาปไปช่อโกงบ้างไปรักทรัพย์บ้างไปป้นไปจี้ไปฆ่าเขาบ้างเพื่อที่จะได้มีความสุข จากการกระทำที่ตัวเองอยากกระทำพอตายไปก็เลยต้องไปใช้กรรมในอายไปฝันร้ายพอตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่ก็สู้ร่างกายอันเก่าไม่ได้เก็บาปยังมีติดตัวมาบ้างทำให้เราเป็นคนอภาภัพวาสนาคนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาสีนี่เวลากลับมาเกิดใหม่จะเป็นคนอภาภัพวาสนา ยากจนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการสันิสองไม่สมบูรณ์อาจจะพิการที่ขาที่มือที่อะไรบางส่วนโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นนี่เป็นอันิสงส์ที่ยังยังไม่หมดหลังจากที่ไปใช้กรรมแนบายแล้วยังต้องมาใช้กรรมต่อ จากการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือโทษที่เราจะได้รับจากการที่เราทำบุญหรือไม่ทำบุญรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลนอกจากนั้นการรักษาศีลการทำบุญก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นกว่านี้ได้คือรักษาศีลแปดได้ ตอนต้นเรารักษาศีลห้าไปก่อนพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลแปได้เราก็เริ่มรักษาในวันพระก่อนวันธรรมดาเรารักษาศีลห้ากันพอวันพระเราก็มาถือศีลแปสักวันมาหยุดกิจกรรมทางล่างกายหยุดการหาความสุขทำทางกามารมณ์กัน ถ้าถือนี8แล้เราก็จะไม่นวนกับแฟนหนึ่ ง, งไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องรับประทานเอาเวลามาปฏิบัติทำขั้นศูนย์ดีกว่ามาเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิอันนี้ต้องรักษาศีล8ถึงจะมีเวลา ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็ยังไปกินเลี้ยงได้ยันนี้เรายังไปกินเลี้ยงได้ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ดูละครได้ก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันแต่ถ้าเราถือศีลแปดกันในวันพระเราก็จะมีเวลาหลังจากเที่ยงวันแล้วเราก็จะว่างเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรม แล้วเราก็จะได้พัฒนาสติสมาธิและปัญญาที่เป็นทางที่จะพาเราไปสู่การดับทุกข์การหุดพ้นจากการเย็นว่ายตายเฉีดกันเหอนตกเสียงมันดังพูดไม่ค่อยได้ยินพอดีพูดถึงเรื่องทำสมาธิพอดีก็ได้เวลาก็ลองมาทำสมาธิกันเลย รอให้ผลหยุดแล้วค่อยพูดต่อตอนนี้ลองนั่งหลับตาดูนั่งขัสสมาก็ได้นั่งภาพเทีย่ยวก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือให้อยู่กับลมหายใจไปหลับตาแล้วก็จะได้ไม่รับรู้เรื่องราวทางตาแล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าไม่ใช้ลมหายใจจะใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปคิดไปในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ถ้าเราไม่คิดเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับลมใจเราก็จะเบาจะสบายจะสงบจะมีความสุขตอนนี้ลองทำดูสักพักนึงนะรอให้ฝนมันเบาหน่อยให้เสียงมันเบาก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยพูดค่อยคุยกันต่อเอานะละฝนหยุดแล้วนะ เอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอเอากลับไปทําที่บ้านต่อนะถ้าทําได้แล้วจะมีความสุขสมาธินี้จะทําให้เรามีความสุขในตัวเราแล้วทําให้เราหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ทําให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้มีแฟนมันก็มีสุขแล้วมันก็มีทุกข์ด้วยพ่าเดี๋ยวบางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางที เขก็ต้องไปทำงานที่อื่นเราก็ต้องอยู่คนเดียวอีกหรือได้อยู่ด้วยกันเดียวก็ทะเลาะกันอีกดูอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวได้สบายกว่าจะอยู่คนเดียวได้ต้องทำใจให้มีความสุขได้ความสุขที่เราได้จากการทำสมาธินี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีแฟนจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนหรือทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราหามาให้ความสุขกับเรานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรไม่คยมีความอยากมีอยากเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขจากการนั่งสมาธิในตอนนี้มันจะเป็นความสุขแบบนี้ไปตลอดเป็นความสุขที่ถาวรจะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันพระพุทธเจ้าบอกทุกข์าะเกิดเพราะเกิดแล้วก็ต้องดิ้นนนททำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูรักษาร่างกาย เป็นภาระที่หนักมากเรา ย, ยังต้องมาแก่กับมันอีกต้องมาเจ็บกับมันอีกต้องมาตายกับมันอีกที่ต้องมาเกิดก็เพราะเรายังมีความอยากกันมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นนดยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากไม่ยอมเสียความไม่ยอมเสียลาบยศสรรเสริญแต่ทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกัน ที่ทุกกันก็เพราะไม่อยากจะเสียลาบยศสรรเสริญไม่อยากจะเสียร่างกายไปทำยังไงได้ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มันไม่เท่งแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วข่าวเราต้องพยายามมองดูสอนใจเรื่อยว่าทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นของชั่วข่าวอย่าไป ยึดยาไปติดยาไปอยากมีอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบพระอยู่แบบพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่มีราบยศสรรเสริญท่านไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดมาเสกแต่ท่านมีสมาธิมีความสงบท่านมีปัญญาที่สอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้ทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกม่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเรามีความสงบอย่างที่เรานั่งสมาธินี้เราก็หยุดความอยากได้ตอนที่เรานั่งสมาธินี้เราไม่มีความอยากเลยลเราจะเห็นว่าเวลาไม่อยากนี่ใจสบายมีความสุขพออยากแล้วใจเริ่มกวนกระวายแล้วกระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคาญใจแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากบางทีก็โกรธบางทีก็เสียใจน้อย ใ, ใจขึ้นมา เห็นให้เห็นโทษของความอยากว่ามันนีแต่จะทําให้ใจเราทุกข์กันเวลาไม่มีความอยากในี่ใจเราเย็นสบายมีความสุขเอ็งเราพยายามมาหยุดความอยากด้วยการมาเจริญสติบริกรรมพุทธโทธพุทธโทธอยู่เรื่อยๆแม้ขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องพยายามบริกรรมพุทธโทธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะคิดแล้วเดี๋ยวมันจะอยาก คิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนแต่ถ้าเราอยู่คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธก็จะไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงขนมคิดถึงแฟนความอยากกินขนมอยากไปหาแฟนก็จะไม่มีแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวได้อยู่โดยไม่มีความอยากได้แล้วเราจะไม่ต้องดินน้นรนหาเงินหาทองมาให้เหนื่อยเปล่าๆ หามาได้เท่าไหร่ใช้ไปเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีก็ทุกข์อีกเวลาตายแล้วเอาเงินทองที่หามาเอาไปไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้ามาใช้หมดก็ทุกข์อีกหมดก็ต้องหาใหม่อีกฉนันอยากไปยุ่งกับเรื่องเงินทองดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองดีกว่าอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยสติ ถ้ามีสติมีพุโทโธพุธโทโธควบคุมจิตใจใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะไม่ต้องใช้เงินทองถ้าจะใช้ก็ใช้แต่เฉพาะจาเป็นจริงๆเช่นเสื้ออาหารให้ร่างกายรับประทานแต่จะไม่ซื้อของไม่จำเป็นมานะก็ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องไม่ต้องหาเงินมากอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วอันนี้คือทางสู่การดับ สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคือการทําทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาถ้าใครสามารถปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาได้ก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อย่างมีความสุข ไม่ต้องไปดิ่นดนไม่ต้องไปทุกกับคนนั้นคนนี้ทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองเหมือนพวกเราท่านเลยไม่ต้องทุกเหมือนพวกเราพวกเรามีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่เรามีมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกกับสามีทุกกับภรรยามีทรัพย์สมบัติก็ต้องทุกกับทรัพย์สมบัติแต่เราอยู่แบบไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เพราะเราไม่มีความสงบกันเราไม่มีสติกันไม่มีปัญญากันถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรักษาใจเราให้สงบได้และจะหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือวิธีที่ถูกวิธีที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวก็เกิดวิธีแห่งการทำทานรักษาศีล วิธีนั่งสมาธิาจเจริญปัญญาขอให้ลองไปทำดูกันทำได้แล้วจะมีความสุขมากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาอุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคาลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุหังกิป a เมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนา a ะโสยทามนิจุติหะโสย t าสัพพีติโยวิวัจจันโต สัพพโรโขวินัสสตุมาเตปวตตวันตรายูสุขีทิฆะโยภาวะนภิวะธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจะตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโอสุขังภาลัง อาจากทีไ yeah, yeah. Like yeah okay. okay. yeah. ่ไหนกันได้ที่มาเยี่ยมพ่ออาจารย์คือพอาจารย์เลยใช้ยศนะครับอ๋อ่ใชยศู่แนะนอให้มาฟังสก็เลยมาช้ดยามหาท่านเจอผนกเดียวกันนะทอยู่ผนกเดียวกันนะอยู่ผนกสูงค่ะ อาจารย์ท่านก็เก่งนะตอนเสียณป้าก็บวดเลยนยากแต่เราทำมาด้วยกันนะเตรียมตัวไนวะ้บวชแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะปฏิบัติทั้งวันเลย <c oughs> แข็งแรงอายุ70ก <c oughs> วานะ่าแล้วเดินจงกรมทั้งวันเลย <c oughs> แล้วบินรบาดอะไรได้ทุกอย่างเก่งคนอายุ ป, ปานี้มาบวชตอนนี้ทำไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ง่ายนะวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่สูงสุด412ค่ะอ่ามั น, นเยอะหน่อยนะ YouTube มี36ครับ อ, อานีกชาลานทอนนี่ยังไม่เข้าอย่างยังไม่เข้ามาครับติดตัวละมังมีคำถามเข้ามาแล้วยังมีนะครับยูยูทูบมีหนึ่งคำถามแล้วก็อินดอร์มีสามคำถามอะไร คำถามแรกจากย t ทูบนะครับจากคุณธีรพรป่วยเป็นมะเร็งไทรอยตัดต่อมไทรอยออกหมดต้องทานยานตลอดชีวิตเวลาที่ร่างกายหิวอาหารต้องรีบทานอาหารเข้าไปถ้าปล่อยให้หิวนานร่างกายจะสั่นและเกรง็งจะรักษาสิ่งแค่เจ็ดข้อได้ไหมครับขอวิการโภชนาทำไม่ได้ข้อวิการโภชนาทาไม่ได้ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อย่า ก, กินมากก็แล้วกันเรื่องอาหารนี่ถ้า ไม่กินมากก็ก็ยังพอถูไถยไปได้ <c oughs> คือเรื่องกินนี่มันจะทำให้เราถ้าเรากินมากจะทำให้เราง่วงนอนจะทำให้ขี้เกียจจะไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะนอนแต่ถ้าเรากินพอที่จะประทังชีพไปแล้วไม่ทำให้ง่วงนอนไม่ทำให้เกลียดค้าก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไร คำถามต่อไปจากอินบ็อกซ์นะครับจากคุณยุยครับดิฉันรู้สึกโกรธพ่อไม่อยากคุยบากไปครับคือดิฉันไม่มีความรู้สึกดีๆกับพ่อเลยค่ะเพราะท่านไม่เคยเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายค่าเธอแม่จะเป็นคนดูแลตลอดพ่อจะพูดตะคอกอารมณ์ร้ายด่ารุนแรงกับครอบครัวตลอดบางทีน้อยใจที่ท่านใส่ใจกับคนนอกบ้านมากกว่าและพ่อก็เคยพาภรรยาน้อยเข้าบ้านยิ่งทาให้รู้สึกแย่มากเลยค่ะ เหมือนพ่อไม่รักแม่จนตอนนี้แทบไม่คุยกันเลยค่ะดิฉันดิฉันทราบดีว่าผิดมากที่รู้สึกกับท่านและกระทำไม่ดีแต่มักมีความรู้สึกเถียงในใจตลอดดิฉันจะต้องทำอย่างไรคะที่จะมีความรู้สึกดีๆโดยที่ไม่มีอดีตที่ไม่ดีในใจก็มองส่วนที่ดีของพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเราเพียงแค่นี้มันก็จะทาให้เราแผ่เมตตาได้ แม่ตาให้พ่อได้ว่าอย่างไงเราก็เป็นเหมือนอวัยวะของพ่อนะถ้าไม่มีพ่อเราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้ดังนั้นบุญคุณของพ่อเพียงแค่นี้ก็มากมายกว่าการกระทําไม่ดีต่างๆของท่านนะควรจะเอามองเห็นบุญคุณอันนี้ความสําคัญอันนี้มาลบล้างการกระทําที่ไม่ดีของท่านได้ มองว่าการกระทำไม่ดีของท่านก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านท่านยังเป็นคนที่มีกิเลสมีตัณหาอยู่ท่านยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเขาเองได้ก็ต้องแสดงอาการอะไราต่างๆออกมาที่ไม่น่าดูเราเป็นลูกเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ให้อภัยอย่าไปอย่าไปคิดร้ายกับพ่อ เพราะว่ามันจะทำให้เราไปทำบาปต่อไปได้ตอนนี้ยังไม่ทำบาปแต่ถ้าเราคิดร้ายมากๆเราเดี๋ยวอาจจะเกิเกดอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะยับยั้งไม่ได้เดี๋ยวอาจจะไปทำปิตุคาตได้นี่ก็จะเป็นบาปหนักคือต้องเป็นอนันตฤกยกรรมบาปหนักนี้มีอยู่ห้าข้อ ข้อที่หนึ่งก็ฆ่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ข้อที่สามฆ่าพระอรหันต์ข้อที่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดข้อที่ห้าทำให้สงแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นบาปนะอย่างนั้นเราพยายามมองข้ามส่วนที่ไม่ดีของพ่อเข้าไปให้อภัยเห็นให้มองเขาว่าเขาเป็นคนมีกิเลสยังเป็นคนที่ ที่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมใจของเขาได้เขาเลยต้องแสดงอาการทำอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูให้เราเห็นแต่เราพยายามมองถึงตอนที่เราไม่มีร่างกายอันนี้ว่าเรามีร่างกายนนี้มาได้ก็พ่อพ่อของเราคนนี้แหละถึงแม้เขาจะไม่รักเราเขาจะเกลียดเราไม่เลี้ยงดูเราเขาก็ยังมีบุญมีคุณกับเราอยู่นั่นแหละ เพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีเราในวันนี้พยายามนึกถึงส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีก็ท่องทำความเข้าใจว่าคนเราก็มีดีมีชั่วกันทุกคนขึ้นอยู่ที่กิเลสมากกิเลสน้อยขึ้นอยู่ที่มีธรรมมาควบคุมกิเลสได้หรือไม่ถ้ามีไม่มีธรรมมาควบคุมกิเลสมันก็จะทำตัวไม่สวยไม่งามไม่น่าดู ก็เป็นเรื่องของท่านไปท่านเดี๋ยวก็ต้องรับผลของท่านไปพยายามถ้าถ้าถ้ารักท่านไม่ได้แผ่เมตตาให้ไม่ได้ก็ให้อุบเบกขาวไว้ให้ทำใจให้นิ่งเฉยคิดว่าเป็นเหมือนคนที่เราไม่รู้จักก็แล้วกันคนไม่รู้จัก้าจะดีช่วยเราไม่เห็นไปโกรธเกลียดเขาใช่ไหมเนี่ยคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยตอนนี้อยู่แถวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาดีช่วยอย่างไรใช่ไหเราก็เฉยเฉยได้ใช่ไห ก็พยายามคิดอย่างไรก็แล้วกันคิดว่าเป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาชื่วก็เรื่องของเขาพระเจ้าบอกว่าเขาจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบาปหรือบุญเขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของเขาไปแต่เราไม่ควรที่จะไปคิดร้ายกับเขาไม่ควรไปพูดร้ายไม่ควรไปทําร้ายเขาโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณกับเรา คำถามต่อไปจากคุณสองคัถ้าก่อนนอนเรานอนภาวนาจนหลับไปแต่ยังฝันเยอะแยะไปหมดเราจะปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรดีคะก็ต้องฝึกสติบ่อยๆเวลาตื่นขึ้นมาก็ให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะคิดน้อยลงเวลานอนหลับก็จะฝันน้อยลงคำถามต่อไปจากคุณธรรมทนครับ ตอนสวดมนต์จะนั่งสมาธิทําไมกิเลสมันรุนแรงจะนั่งสมาธิง่วงหาวนอนปวดขาคันจนต้องแพ้กับกิเลสขอวิธีแก้กับกิเลสครับก็ต้องใช้สตินี่แหละต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนแสดงว่าเราไม่มีสติเลยพอนั่งกิเลสมันก็ออกอาการต่างๆออกมาแต่ถ้าเรามีสตินี้กิเลสมันจะถูกคุมเอาไว้เังนั้นเราต้องฝึกสติกันให้มากๆก่อนที่จะมานั่ง พยายามเหมืนพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปผีผ้าวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปจะหยุดพุทโธก็ตอนที่ต้องคิดกับงานการที่เราต้องทำหรือถ้าถ้าใจไม่คิดอะไรก็หยุดพุทโธได้ถ้าใจเฉยๆใจนิ่งใจรู้เฉยๆก็หยุดพุทโธได้ ้้้าาาาาาเราทใหมมมมัันนนนิินาาน่่่่งงงไไดวลสตจะีีอกๆแคำถามจากเ b บุ k l ล v e คำถามจากคุณอนาปาสอบถามปัญหาการภาวนาครับถ้าภาวนาพุโทโธและกำหนดเห็นภาพดวงอาทิตย์พร้อมไปด้วยได้ไหมครับไม่ควรเรอะควรจะเอาพุโทโธอย่างเดียวดีกว่าถ้าจะกำหนดดวงอาทิตย์กเ็เอาดวงอาทิตย์อย่างเดียว คำถามจากคุณกิติยาลูกขอกราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ลูกอยู่ในช่วงฝึกจิตให้สงบเวลาเครียดจากงานหรือเกิดจากความเหงาลูกชอบเผลอใจไปฟังเพลงที่ชอบแต่พอฟังเสร็จกลับคิดพิจารณาว่าไม่น่าฟังเลยทุกครั้งคำถามคือข้อที่หนึ่งลูกจะทำอย่างไรให้เห็นโทษของการฟังเพลงเพลงส่วนใหญ่ทุกวันนี้เกี่ยวกับความรักไม่ให้หลงในเสียงเพลงอีกเจ้าค่ะ ก็เวลาไม่มีเพลงฟังจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเครื่องเล่นเสียเครื่องฟังเพลงเสียมันก็จะรู้สึกเหงารู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีก็ให้เห็นโทษว่าถ้าเราไม่อยากฟังเพลงเครื่องเสียเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนเห็นตอนนี้พยายามหักห้ามใจว่าอยากไปฟังก็แล้วกันหรือทำให้เครื่องมันเสียไปเลยจะได้ไม่ต้องฟังอ่มีคาถามต่อ ถามจากคุณกิติยาข้อที่สองเวลาเครียดจากงานหรือมีความเหงาเกิดขึ้นลูกควรใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเจ้าคะก็ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยพุโทโธพุธโทโธไปนั่งสมาธิไปอพยายามอย่าไปคิดอะไรพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะวางใจก็จะสะงบแล้วความเหงาความเครียดต่างๆก็จะหายไปแอ่ <c oughs> ถ้ายังทำไม่ได้ก็สแสดงว่าเราไม่มีกำลังพุทโธกันเราต้องพยายามขยันพุทโธกันเหมือนกับออกกำลังกายถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีๆจะให้มาวิง่งมาทำอะไรนี้ทำไม่มีแรงทำแต่ถ้าเราหัดออกกำลังกายหัดวิ่งอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาเราต้องวิง่งเราก็จะวิ่งได้พุทโธก็เหมือนกาลังใจเป็นการออกกำลังใจ ถ้าอยากจะให้ใจเรานิ่งใจเราสงบนี่เราต้องหัดพุดโทโธกันไว้ก่อนแล้วต่อไปเวลาใจเราเครียดใจเราเหงาเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวไม่นานสักห้านาทีสิบนาทีความเหงาความเครียดก็จะหายไปคำถามจากคุณพระจันอายุยีสิบห้าเบญจเพศมีความเชื่อกันว่าไม่ดีมีเ้าใช่หรือเปล่าคบ อ, อ๋อเป็นความเชื่อเฉยๆแล้ว ขอกรรมมันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่กรรมที่เราทำไว้พฤติกรรมต่างๆที่เราทำนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปทำอะไรเราอยู่เฉยๆนี่ขอกรรมไม่ค่อยเกิดหรอกแต่ถ้าเราไปดื่มสุราแล้วเมาแล้วขับอย่างนี้เดี๋ยวกรรมก็ตามมาบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เฉพาะคนวัยรุ่นเนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชอบดื่มเหล้า พอเมาล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์บางทีพลาดลดลม้มศีรษะพลาดกระแทกกับพื้นเรื่ออะไรไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนี่ก็กลายเป็นเอามาเพิกเอามาพาดไปได้ถ้าไม่ตายหรือไม่ไม่เช่นนั้นก็ตายวัยเบนจเพศมันมักจะเป็นเพศที่อันตรายไงเพราะกำลังหนุม่มกำลังสาวกำลังมีความพร้อมความสมบูรณ์ในการที่จะทาอะไรต่างๆแล้วถ้าไปทา ด้วยความประมาทก็จะเกิดอันตรายได้ท่านั้นเองวัยวัยเมจเพศอายุยี่้านี่คือกำลังพ้นจากการดูแลของพ่อของแม่เป็นอิสระก็เลยอยากจะเล่นให้มันเต็มที่ทำอะไรให้มันเต็มที่แล้วถ้าทำด้วยความประมาททำด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการรู้ไปทาในสิ่งที่ทำให้มึนเมาเสดจุรายาเมาขึ้นมา แล้วเดี๋ยวก็ไปทําอะไรที่เสียหายต่อไปได้วายบินประเภทมันอันตรายตรงนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นเลขยี่ห้าเรืออะไรอย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่การมีอิสระภาพเป็นขั้งแรกในชีวิตเนี่ยทียนี้จะเป็นจะทำอะไรก็ได้แล้วเมื่อก่อนต้องคอยคอยหลบคอหลบพ่อหลบแม่เดี๋ยวนี้เรียนจบแล้วทำงานได้แล้วหาเงินเองได้แล้ว ก็เลยอยากจะทำอะไรก็ทําเต็มที่เลยก็ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้แต่ถ้ามีสติมีปัญญาสติคอยควบคุมการกระทําของเราปัญญาคอยสอนใจว่าทําอย่างนี้ดีไม่ดีทําอย่างนี้เกิดโทษหรือหรือไม่เกิดโทษแต่เรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาชีวิตของเราให้เจริญเติบโต ให้อยู่ไปได้นานๆเพรานฉะนั้นมหัดฝึกสติกันนะแล้วก็มาหัดฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกันถ้าฟังเทศนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นโทษก็คืออบายามุขต่างๆเด่มสรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคเป็นครบคนไม่ดีเป็นมิตร ความเกยียรตค้าเนี่ยพวกเป็นเจเพศชอบของพวกนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันถึงมันถึงเกิดอันตรายกันแต่ถ้าได้เคยเข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้ว่าเอ่ออามายมุกต่างๆนี่เป็นพฤติกรรมที่เป็นโทษเป็นภัยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะปลอดภัยคำถามจากคุณสุวรรณารมหายใจระหว่างนั่งสมาธินั้นละเอียด เย็นและเบาสบายต่างจากลมหายใจปกติใม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ถูกเพราะว่าเวลาใจนั่งเวลานั่งสมาธิใจจะเบาจะสงบจะเย็นจะสบายลมก็เลยรู้สึกเย็นไปด้วยอแต่ความจริงลมมันไม่ได้เปลี่ยนลมมันก็ยังเป็นอุณหภูมิของมันอยู่ร่างกายอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิของลมมันก็เท่านั้น่ะเองแต่ความรู้สึกของใจเราเปลี่ยนไป เวลาใจไม่สงบมันร้อนใจมันร้อนก็เลยเป็นรู้สึกว่าลมมันร้อนขึ้นมาแต่ความจริงมันมันไม่เป็นปัญหาหรอกเรื่องของลมลมจะร้อนหรือจะเย็นไม่สําคัญที่เรานั่นงสมาธินี่เพื่อให้ใจเย็นเพื่อให้ใจไม่ร้อนเท่านั้นเองคําถามจากคุณทวีพรเวลาเราทํากรรมฐานก็พอสามารถรับรู้ว่าได้ว่ากายกับใจแยกต่างหากจากกันจริงตามที่ท่านบอก มีอะไรมากระทบกายแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจแต่อะไรคือร่องรอยของการรับรู้ว่าใจไม่ได้ดับไปพร้อมกับร่างกายใจไปนรกหรือสวรรค์ไปรับกายใหม่หรือไปเวียนว่ายตายเกิดครับ บ, บอกบอกเลย ว, ว่าถามอะคำถามอยู่ตรงไหนคำถามถามอะไรถามเอามาถามว่าใจกับกายแยกกันแต่ว่าจะรับรู้ยังไงว่าใจไปไหนใจก็ ก็ไปกับเราตลอดเวลาเราไปกับใจเราจะมารู้ก็ตอนที่เราเราตื่นขึ้นมาเวลาเรานอนหลับเราฝันไปเราก็ไม่รู้แต่เราก็รู้ว่าเราฝันแล้วพอเรามาเกิดใหม่เราก็ได้ร่างกายอันใหม่แต่เราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่มานั่งวิเคราะห์เราเราอยู่ในเหตุการณ์โดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็คิดว่าเราทําอะไรไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนต่อพอเรามาเกิดใหม่แล้วก็มารู้สึกตัวใหม่ว่าเร า, เามาทำอะไรของเราต่อเราก็จะรู้แค่นี้แต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเรามาฝึกหัดนั่งสมาธิเราก็จะเห็นการแยกตัวออกจาก ร่างกายของใจจะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นสองส่วนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วพ อ, อพอร่างกายเป็นอะไรไปใจนี้ก็ไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเพราะใจไม่มีรูปมีร่างเหมือนร่างกายไม่มีส่วนประกอบเหมือนร่างกายใจจึงไม่มีวันตายไม่มีวันหมดแต่ร่างกายนี้มันเกิดจากการรวมตัวของดินน้าลมไฟ อดินน้ำมนมไฟแยกตัวออกจากการร่างกายก็หายไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์เราถึงจะรู้ว่าปัาจจัยไม่ตายร่างกายนี้ตายที่เรามามีร่างกายอยู่นี้ก็เพราะใจเรามีความอยากพอมีความอยากก็เลยต้องมาหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายเก่าใช้ไม่ได้เหมือนไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงเมื่อกี้เห็นไหม เครื่องเก่าใช้ไม่ได้เรายังอยากใช้เครื่องเครื่องขยายเสียงอยู่เราก็เลยต้องหาเครื่องใหม่มาแทนพอดีมีเครื่องอยู่ใกล้ตัวก็เลยเปลี่ยนเครื่องอันนี้ก็เหมือนกันเวลาร in time time. ่างกายนี้ตายกันก็เหมือนกับเครื่องขยายเสียงเมื่อกี้ที่มันเสียพอร่างกายตายไปใช้ใช้มันทําอะไรได้บ้าดูหนังฟังเพลงได้บ้าอแต่ยังอยากดูมหมยังอยากใช่ไหมก็ต้องไปหาร่างกายใหม่พอมาเกิดใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ เเดวก็ไปูหหนังังงงฟพลใม่ต่ตอคำถามจากคุณหญิงถ้าเพื่อนสามารถมองเห็นวิญญาณและบางครั้งรู้ว่าวิญญาณสื่อมาว่าจะมีอะไรเกิดแล้วก็เกิดขึ้นจริงหรือบางครั้งวิญญาณมาขอบุญถ้าไม่ทําก็เหมือนรู้ว่าเขามาทวงจนเพื่อนเกิดความสงสัยว่าตัวเองจะบ้าหรือเปล่าขอกราบเรียนถามทางที่ควรปฏิบัติตัวควรทําเช่นไรดีเจ้าคะ่ะก็ควรที่จะ ทำใจของเราให้มั่นคงคือไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้เหมือนกับเราเจอคนเนี่ยเราก็ทำใจของเราให้ไม่ไปหวั่นไหวกับกับคนที่เราพบป ะ, ะ, ะเขาจะด่าเราเขาจะชมเราเราก็เฉยเฉยไว้ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาในตอนนี้เราไปวุ่นวายกับดวงวิญญาณดวงวิญญาณขอนู่นขอนี่น ถ้าเราไม่ทําให้เขาเราก็วุ่นวายใจเราไม่ต้องวุ่นวายใจเขาขอถ้าเราอยากจะทําก็ทําเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำํำเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายใจเราก็เฉยๆของเราไปวิธีปฏิบัติกับดวงวิญญาณก็เหมือนกับวิธีปฏิบัติกับคนนี่แหละดวงวิญ ญ, ญาณมันก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนที่ไม่มีรูปร่างเท่านั้นเองแต่ความอยากความต้องการเหมือนกันยังโลภยังโกรธยังโง่ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนกันนั้น เวลาคนเข้ามาขอเงินเราเราจะให้เขาเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้เราก็ไม่ต้องให้ก็ได้แต่เราต้องมีใจที่หนักแน่นไม่ต้องหวั่นไหวกับการกระทาของเขาไม่ต้องกลัวเขาฉัใในใดดวงวิญญาณก็เหมือนกันเราเจอเขาเขาจะมาบอกอะไรเราเราก็รับรู้ไว้ถ้าเป็นจริงก็ดีไปถ้ารู้ว่าเขาแม่นก็รู้ก็ดีไปแต่ระวังจะหลง บางทีเกิดไม่แม่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาจจะจะผิดพลาดได้ก็ต้องฟังหูไว้หูเมื่อคนที่มาบอกเราเนี่ยถ้ามีเพื่อนมาบอกว่างวดนี้จะออกนู่นออกนี่เราจะเชื่อเขาเปล่าเราก็ต้องพิสูจน์ดูใช่ไหมเขาว่าออกเดี๋ยวเดี๋ยวรอถึงเวลามันออกดูว่าออกจริงหรือเปล่าถ้ามันออกตามที่เขาพูดก็แสดงแม่นไวแต่จะแม่นกี่ครั้ง เดี๋ยวครั้งหน้ามาบอกอีกดูอีกแม่นหรือเปล่าถ้าบอกทุกครั้งแม่นทุกครั้งนี่ก็น่าเชื่อแล้วทีนี้แต่ถ้าบอกแล้วบางทีก็บางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกเราก็ต้องอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆต้องต้องมีความหนักแน่นอย่าไปต้องพิสูจน์ได้ก่อนเราถึงจะเชื่ อ, อถ้าเขาบอกสิบครั้งแล้วถูกสิบครั้งนี่ก็น่าจะเชื่อถือได้ ก็เชื่อครั้งที่สิบเอ็ดดูถ้าไม่ถ้าไม่ถูกก็ก็แล้วไปก็ถือว่าไม่ใช่บุญของเราคำถามจากคุณอาริกาช่วงที่นั่งสมาธิบ่อยๆมักจะพบเจอวิญญาณหรือสิ่งแปลกๆทำให้เราตกใจกลัวเสียขวัญค่ะต้องทำสมาธิอีกนานไหมคะถึงจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็ต้องอยู่ที่สติสติยังมีกำลังไม่มาก พอจิตจะสงบสติก็อ่อนกำลังมันก็เลยไปเห็นไปรั้วเรื่องรางต่างๆถ้าเรามีสติอยู่กับจใจต่อไปได้มันก็จะไม่ไปเห็นอะไรเห็นเวลาจะเห็นอะไรก็ให้เราดึงสติกลับมาพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราเห็นมันก็จะหายไปเองอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นคําถามจากคุณขวัญ มีปัญหาที่ทํางานค่ะกับหัวหน้าเขารับเข้าทํางานพอมีปัญหาหนูโดนกลั่นแกล้งแต่อดทนไว้ไม่พูดก้มหน้าก้มตาทํางานแต่วันหนึ่งได้คุยกับผู้ใหญ่พูดความจริงทั้งหมดแต่หัวหน้าโกหกเพื่อเอาตัวรอดและผู้ใหญ่เลือกหัวหน้าที่จะพูดโกหกหนูลองเช็คตัวเองว่าผิดสิ่งข้ออะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ผิดสักข้อพูดแต่ความจริงแต่คนโกหกกับได้มีที่ยืนตอนนี้จิตตกรู้สึกท้อแท้ ไม่มีแรงต่อสู้ต่อไปค่ะหนูจะผ่านความรู้สึกนี้ได้ยังไงคะก็อย่าไปอยากเลยที่เราท้อแท้เพราะว่าเราอยากจะได้รับสิ่งที่ดีจากการกระทำที่เรา ค, าคิดว่าดีของเราแล้วพอเราไม่ได้รับสิ่งที่เราอยากจะได้ <debe> เราก็ท้อแท้เราต้องเอายินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเพราะว่ามันไม่ การที่จะได้อะไรนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทําความดีอย่างเดียวบางคนทำความดีแต่ไม่ได้อะไรก็มีบางคนทําไม่ดีกลับได้ก็มีเพราะว่าคนที่ให้นี้บางทีก็ไม่ต้องการความดีก็ต้องการ ส, สิ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วเราจะไม่ท้อแท้ที่เราไปหวังแล้วเราไม่ได้เราก็จะท้อแท้ ที่เขาเอาเอาเอาใจหัวหน้าเพราะหัวหน้าอาจจะไปเอาใจเขาก็ได้หัวหน้าเราอาจจะไปทำอะไรให้เขาถูกใจพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปดื่มแต่เราไม่เคยพาหัวหน้าไปเที่ยวไปกินไปดื่มเขาก็ไม่เอาใจเราถ้าเา็าต้องเลือกระหว่างหัวหน้ากับเราเขาก็เอาหัวหน้าถึงแม้วหัวหน้าจะผิดเขาก็ไม่เาก็ไม่ก็ไม่ถือสาเพราะว่า e, หัวหัวหน้าเราไปทำประโยชน์ให้กับเขา โลกเราบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ความดีแล้วมันอยู่ที่ประโยชน์ใครทำประโยชน์ให้กับเราเราก็ว่ามันดีละถึงแม้มันมันจะผิดเราก็อยากว่ามันดีอยู่แต่คนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเราถึงแม้ว่ามันจะถูกเราก็ไม่ว่ามันดีใช่ไหมดงนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราอยากจะได้อะไรจากเขาเราต้องทำในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาก็จะดีกับเราแต่ถ้าเราไปทาสิ่งที่เขาไม่อยากได้ เขาก็ไม่อยากจะทําอะไรให้กับเราเั้นทางที่ดีก็คือถ้าเราไม่ได้ทําอะไรให้กับใครก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ท้อใจเราเอาความดีนี้ผลที่เราได้จากความดีมันมีอยู่แล้วเกินเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีความสุขจากการทําความดีของเราแค่นี้ก็พอใจแล้วแล้วตายไปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาป เอาแค่นี้ดีกว่าอย่าไปหวังผลอะไรจากคนอื่นถ้าหวังผลจากคนอื่นแล้วพอไม่ได้จะท้อแท้จะเสียใจคำถามจากคุณรัต ด, ดาขณะทาสมาธิเมื่อจิตนิ่งมากๆได้ยินเสียงเพลงที่ชอบหรือเพิ่งฟังมากล้องในใจควรทำอย่างไรคะก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจคำถามจากคุณสุรินทร์ โยมนั่งสมาธิพอนั่งได้ประมาณสามสิบนาทีเกิดเวทนาเหน็บชาที่ขาต้องต่อสู้อยู่กับจิตใจเราแต่ก็เป็นอันว่านั่งได้แค่สามสิบนาทีได้ออกจากสมาธิอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะถ้อยากจะนั่งต่อก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเหน็บชาให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะผ่านความเหน็บชาไปได้ใจก็จะสงบมากขึ้นแล้วก็จะ ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการความเหน็บชาของร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่วุ่นวายใจข้ามถามจากคุณเทพธทิดาดิฉันไปทาบุญแต่ไม่ได้บอกครอบครัวแต่อุทิศบุญให้เขาเขาจะได้รับหมาเจ้าคะเออไม่ได้หรอกบุญของใครของมันบุอุทิศให้ได้แต่เฉพาะคนตายคนที่มารอรับส่วนบุญเท่านั้นแต่คนเป็นนี่ เขาทาบุญของเขาเองได้เราทำแทนให้เขาไม่ได้เขาต้องทำแทนเองทำทํของเขาเองคำถามจากคุณใบเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกหนักปวดตรงหน้าผากจะแก้อย่างไรครับก็อย่าไปสนใจพุทธโธต่อไปตอนต้นเวลานั่งสมาธินี่กิเลสมันชอบสร้างอุปสรรคต่างๆความรู้สึกต่างๆนี่มันเป็นความรู้สึกเท่านั้นะมันไม่ได้เป็นอะไรแท้จริงอ พอเราเริกนั่งเมื่อไหร่มันก็หายหรือถ้าเรานั่งดูหนังดูละครนี่มันก็ไม่เป็นแต่พอเราต้องมานั่งพุโทโธพุโทโธหน่อยนกิเลสมันก็จะสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจสงบแล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปเองคำถามจากคุณต้อยผมเคยนอนสมาธิและบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆจิตติด จิตดิ่งลงไปเรื่อยๆได้ยินเสียงแว่วๆมาข้างหูว่าให้รวมจิตเป็นหนึ่งแล้วปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นศูนย์เสียงที่ได้ยินมาแบบนี้ถูกไหมครับถูกแต่เราทำได้หรือเปล่าล่ะเราต้องปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางสามีปล่อยวางภรรยาปล่อยวางลูกปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองปล่อยวางร่างกายของเราได้หรือเปล่าเสียงนั้นเป็นเสียงธรรม เป็นเสียงคำสอนที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาในอดีตแล้วมันก็จดจำอยู่ในใจพอใจสงบมันก็โผล่ขึ้นมานี้มันอยู่ที่ว่าเราทาตามเสียงบอกได้หรือเปล่าว่าให้เราปล่อยวางทุกอย่างทำใจให้เป็นหนึ่งให้เป็นศูนย์ไม่ต้องไปเกาะติดกับใครอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าคาถามจากคุณเหนียว เวลาที่เราเตรียมอาหารจะเปิดฟังคำสอนของพระอาจารย์ไปด้วยบางครั้งฟังแล้วมีคำสอนบางประโยคที่สะดุดใจต้องหยุดนิ่งแล้วจิตมันคิดพิจารณาประโยคนั้นจนบางครั้งรู้สึกว่าแต่ละประโยคมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่จะเขียนบรรยายใดๆแต่ถ้าเวลาฟังนั่งเฉยๆก็จะหลับขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหนูใช้วิธีทางานเบาๆแล้วฟังคาสอนไปด้วยจะได้ไหมแล้วจะ ได้มักผลอะไรบ้างหรือเปล่าจะเป็นบาปหรือไม่คะถ้าตอนนี้ยังนั่งเฉยๆแล้วหลับก็แล้วถ้าทำงานแล้วฟังไปไม่หลับก็ทำแบบนี้ไปก่อนเพราะสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเพียงแต่ว่าการฟังแบบนี้มันยังจะฟังไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าเราใจของเราต้องแบ่งไปเป็นสองที่<ม>ไปฟังไปฟังเสียงธรรมกับไปไปทำงานเนี่บางทีเวลาเราทางานเสียงธรรมแล้วก็จะ ไม่เข้าไปในใจเราก็จะได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังทําได้อยู่ในเบื้องต้นต่อไปถ้าเราเมสติมากขึ้นแล้วเรานั่งฟังแล้วไม่หลับเราก็นั่งฟังดีกว่าเพราะเราจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คําถามจากคุณใกล้ลุงลูกมีอาการทุกข์ทางร่างกายจะพิจารณาอย่างไรคะที่จะให้อยู่กับอาการต่างๆนี้ได้ก็ปล่อยวางมันตามธรรมชาติ คิดว่าเราห้ามมันไม่ได้ดับมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ด้วยการดึงใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงมันให้เราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราไม่คิดถึงมันใจเราก็จะไม่ทรมานเพราะความอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปมันไม่มีแต่พอเราไปคิดถึงความเจ็บเราก็อยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายมันก็เกิดความทรมานใจขึ้นมา วิธีที่จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายโดยไ ม, ม่ทรมานก็คืออย่าไปคิดถึงมันอย่าไปอยากให้มันหายวิธีจะไม่อยากให้มันหายก็ต้องพูดโทพูดโทไปเรื<ๆ>่อยๆแล้วมันจะหยุดความอยากให้มันหายได้คำถามจากคุณแม่นกสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาของลูกของสามีโดยการเอ่ยชื่อนามสกุลเขาจะได้รับไหมคะอยู่ว่าเขามารอรับหรือเปล่า เพราะว่าผู้ที่รอรับบุญนี้ก็มีพวกเดียวคือพวกเรตพวกเทวดาพวกอะไรนี้เขามีบุญเยอะกว่าที่เราจะอุทิศให้เขาเขาก็จะไม่มารอรับบุญเหมือนพวกขอทานนี่ก็จะมารอนั่งขอทานอยู่แต่คนที่มีเงินก็จะมานั่งขอทาน เ, นเขาก็ไปเที่ยวดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปซื้ออะไรกินดีกว่าเพราะเขามีเงินแล้วเอ็นเวลาอุทิศก็อุทิศได้พวกเดียวก็คือพวกเบตรเ่ั้ ถ้าเป็นเปรตก็มารอได้แต่บุญที่เราอุทิศไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอ่ะเพราะเวลาเรานั่งสมาธิใจถ้าใจยังไม่สงบมันก็ยังไม่มีสมาธิมันก็ยังไม่มีบุญอ่ะก็จะเอาเอาอะไรไปอุทิศให้เขาวิธีที่จะอุทิศง่ายที่สุดก็คือไปทําสวายสังฆทานใส่บาตรนี้พอทําทปุ๊บก็เกิดบุญขึ้นมาเลยเกิดความสุขใจอิ่มใจอันนั้นก็อุทิศได้เลยแต่นั่งสมาธิไปใจ จ, จากกาาคาถามจากคุณต้อยเวลานั่งสมาธิเรารู้สึกตัวว่าเราใสาเหมือนแก้วรู้สึกเย็นสบายเหมือนนั่งอยู่ในสวนดอกไม้และจับลมหายใจเข้าออกได้ว่าสั้นหรือยาวจนไม่อยากออกจากสมาธิแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับดีก็ทาไปเรื่อยๆถ้ายังไม่อยากออกก็ดีให้นั่งได้หลายๆชั่วโมงได้ยิ่งดีใหญ่เพราะเป็นความสุข ออกมาแล้วใจรุร่มร้อนสู้อยู่ในสมาธิดีกว่าคำถามจากคุณนิวถ้าเราทําบุญตักบาตรตอนเช้ากับพระสงฆ์แต่เรามารู้ว่าไม่ใช่พระสงฆ์เราจะได้บุญหรือเปล่าคะได้ถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่สุขใจเราก็ไม่ได้ตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไห ม, ไมอาว่ามา ถ้าเเราเราเราปฏิบัติสมถะธรรมฐานพอได้สติกล้าแล้วให้เกิดพิปปัสนาถึงขั้นสติมหาพุทโธในขั้นหนึ่งได้สมมตว่าได้นะครับทีนี้อดีฉริกรรมที่เราทํอาอดีตชาติที่เราทำกรรมก่อกรรมไว้เสมมติเป็นแสงชาตินะครับเราจะแก้ไขในก ร, รณิกรรมต่างๆได้จากการสมรถะเจริญสมถาถะและพิปปัสนาได้ไหมครับ ถ้าได้สซดามันก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายแล้ว เ, เป็นมนุษย์ก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะหลุดพ้นจากการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เวลาเป็นมนุษย์ก็ยังมีกรรมมก็กรรมก็ยังตามมาได้แต่แต่อย่างน้อยกรรมที่จะพาให้เราไปใช้ในในอบายก็จะไม่มีมันแล้วอย่างพุทธประวัติผ้าหันที่ที่มกรรมที่ท่าน กรรมจากอดีตชาติตามมาเออใช่ทีนี้กรรมนี้เราจะแก้ยังไงแก้ไม่ได้นอกจากไม่กลับมาเกิดเนี่ยถ้าไม่เกิดกรรมก็ไม่สามารถที่จะมาตอบสนองเราได้ครับถ้าถ้าเป็นโสดามันก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายก็คือแสดงว่าถ้าเราปฏิบัติสมมุติว่าสำเร็จเป็นขั้นอรหันต์ขึ้นไปเนี่ย กรรมเก่าก็ยังคงต้องส่งผลและรับผลไปใช่ไหมครับมันไม่มีมันไม่มีที่ส่งไม่มีที่รับแล้วจิตมันไม่ได้มันไม่ได้ม า, มารับผลอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการถวายทานสังฆทานพาาิธาทานในัยธานธรรมทานจะถอนในส่วนของอุปสมกรรมอุปสมณกรรมที่เร า, าเกรอบไว้ได้นะครับกรรมเก่านี้ถอนไม่ได้เั่านั้นอะ่ะเพียงแต่ว่า การทําบุญใหม่นี้เป็นการสร้างเกาะที่จะรับกับกรรมที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเราไปเตรียมเบาะหนาๆไว้แล้วลาเวลาเราตกจากตึกลงมามันก็จะไม่กระแทกกับพื้นมันจะกระแทกกับเบาะถ้าทําบุญเยอะๆก็เหมือนเวลาเกิดวิบากกรรมขึ้นมาใจเราก็จะไม่สะเทือนเพราะใจเรามีเกาะคุ้มกันรับกับวิบากได้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่อธิษฐานจิตพุทธภูมิหรือว่ามากกว่าลิพานนะครับแล้วมาปฏิบัติแล้วก่อกรรมหรือว่าไม่สามารถรักษาสี227ข้อได้จะเป็นอุปสรรกรรมมากกว่าคาราวาสีห้าไหมครับไม่หรอกก็เพียงแต่ว่าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ก็ไม่ได้เท่านั้นเองถ้าปฏิบัติได้ก็ ได้รักษาศีลได้มากมันก็ได้ได้ผลมากถ้ารักษาศีลได้น้อยก็ได้ผลน้อยทีนี้ทางนึ่งครับในในในปัจจุบันที่ความเสื่อมของของการปฏิบัติของของบุคคลนะครับที่ทำให้ศาสนาเสื่อมถอยลงในปัจจุบันนี้ก็คือที่เห็นกนแพร่หลายเนี่ยก็คือในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับทางผู้นำศาสนาใน ในประเทศไทยก็ดีนะครับที่หลงเลยออยู่แล้วก็จะกอบกู้ศาสนาเนี่ยโดยใช้หลักของทำแบบแบบโบราณตั้งแต่พุทธกาลสองพันก่อนสองพันหรือว่าก่อนประม้าร5อยนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะแข่งกับยุค ข, ของพยามาลหรือว่าความเจริญของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ ม, มีวิธีใดที่จะทำให้เป็นธรรมะประยุกต์หรือว่าวิธีใดที่จะป้องกันกิเลสที่มันกล้าขึ้นทุกวันทุกวัน หรือว่าจะต้องหลบเลี่ยงไปอยู่ที่ปลอดภัยตามท้ามตามเขาตามที่สงบหรือว่าวิธีใดที่จะรักษาศาสนาให้ให้ดำร ง, งต่อไปได้นะครับวิธีรักษาศาสนาก็คือเราต้องศึกษาแล้วเราก็ปฏิบัติจรบรรลุผลของศาสนาพอบรรลุแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเนี้ยตอนนี้ก็ มาถ่ายทอดให้กับคนอื่นโดยอาศัยการพัฒนาทางโลกมีอินเทอร์เน็ตมีเฟซบุ๊กมียูทูบก็เลยสามารถเผยแพร่ได้มากกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็จะมีแค่นี้นอยู่ซ้ำแต่นี่ที่นี่น้อยกว่าที่บ้านนะคนที่ติดตามทางบ้านนี่สี่ร้อยกว่าวันนี้เย่างห้าร้อยแล้วเดี๋ยวพวกที่เข้ามาทีหลังอีกเดี๋ยวเขาเลิกงานกลับมาเขามาเปิดดูอีก วันหนึ่งเนี่ยมีคนรับชมคลิปนี้ประมาณห้าหกพันคนอันนี้ก็เป็นการเผยแผ่ ม, มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มันอยู่ต่อไปได้แต่ผู้ที่จะเผยแผ่ก็ต้องมีธรรมด้วยก่อนจะมีธรรมก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมแล้วถึงจะสามารถเอาธรรม ที่บรรุนี้ไปสอนได้ถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติก็จะเอาธรรมที่ไม่ใย่เป็นธรรมแท้ไปไปเผยแผ่ก็จะไม่มีอนิสงไม่มีน้ำหนักเหมือนกับธรรมแท้ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติแลายิ่งท้าไม่ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาแล้วไปเผยแผ่ยิ่งไปเผยแผ่ในทางที่ผิ ด, ผดสอนให้ทาในเรื่องที่ผิดก็จะช่วยทาลายให้ศาสนาท่า เสื่อมลงไปได้เร็วขึ้นดังนั้นอยู่ที่ชาวพุทธเราโดยเฉพาะนักบวชนี่นักบวชนี่ถือว่าเป็นแนวหน้าของพระพุทธศาสนาถ้านักบวชสามารถดําเนินตามแนวที่พุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวงศําเนินได้ศาสนาก็จะมีแต่เจริญไม่มีวันเสื่อมแต่ถ้านักบวชผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงศได้ปฏิบัติ ก็จะไม่สามารถที่จะเอาธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์ได้ก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระาศาสนาก็จะไม่เข้าห า, าศาสนากันาศาสนาก็จะเสื่อมไปถ้าอยากจะช่วยเผยแผ่าศาสนาก็มาบวชก็นั่งวิตกเฉยๆก็ไม่ได้ช่วยอะไร มาบวแล้วมาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาบรรลุธรรมเหมือนกับกูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่แล้วทีนี้ก็ไปเผยแผ่ได้เป็นเรียวแรงของาศาสนาขึ้นมาคนหนึ่งสมไมพระพุทธเจ้านี่พระมีพราะอารหันต์ช่วยเผยแผ่เยอะเลยศาสนาถึงเจริญกว้างใหญ่ไพศาล <S S S 2> เพียงระยะเจ็ดเดือนแรกที่พระเจ้าประกาศสอนพระาศาสนานี้ก็มีพระอารหันต์อย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปขึ้นมาแล้ว สมัยนี้หาพระหลานได้สักหนึ่งพันสองรห้าสิบูกนะ่ <c oughs> นั่นแหละมันถึงทำให้ศาสนาเราเสื่อมเพระพ่าหลานมีน้อยคนที่จะมาช่วยเผยแผ่ศาสนาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี้มีน้อยไไดด้้ยยิินนนเาาะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวล่ำาลือ ไ, อไม่ขอไม่ขอออกมาเสนอความเห็นเราขออยู่แบบอกระเต่าอยู่ในกระดองดีกว่าปลอดภัยกว่า <c oughs> ผวัวหัวออกมาเดี๋ยวโดนฟัน <c oughs> อย่าอย่ามาพูดถึงเรื่องของเรา <c oughs> ขอร้อง <c oughs> มันเป็นภาระที่จะต้องมาพิสูจน์เดี๋ยวคนนั้นมาท้าพิสูจน์แล้วยุ่งก็คือเจตเจตนาเพื่อทิ่จะให้ญาติได้จิตธรรมพสนใจ ก็วิธีก็ลองฟังดูแล้วลองไปไ ป, ปฏิบัติดูฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมเอาไปปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์ไหมเอาตรงนี้ดีกว่าอย่าเอาแต่คําล่ล่มเือเพราะค ำ, ลำเล่ําเลืออาจจะมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหนึ่งตาเห็นก็ต้องศึกษาแล้วปฏิบัติจากคําสอนของท่านดูหรือว่าท่านสั่งสอนแล้วถูกต้องไหมปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าเอาตรงนี้ดีกว่า อย่าไปสนใจกับคำล่ำลือต่างๆไม่เกิดประโยชน์และอาจจะเป็นโทษกับคนที่ถูกล่ำลือก็ได้มีอีกไหมเอาแค่นี้ก่อนเนี้ยเดี๋ย อ, อ, อยาออ า, าจารย์ครับอ่ญญานิดเดียวคืออย่างเราปฏิบัติสินค้านี้คือจะเราทำงานอย่างผมเนี่ยทำงานขนส่งสินค้าทำงานแบบเร่งเร่งเี่ย บางทีหัวหน้ามีกดออกมาบอกว่าถ้าจะกินข้าวต้องบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแต่เราไม่อยากเราไม่อยากเข้าห้องน้ำอยากกินข้าวเนี่ยไม่อยากพูดปดเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็มีทางเลือกก็ลาออกก็ได้ถ้าอยากจะรักษาศีลก็ต้องลาออก <laughs> ไปหางานที่เราไม่ต้องพูดปดทำ ไม่คิดว่าได้ไม่คุ้มเสียได้เงินเดือนได้งานนี้แล้วต้องไป<ร>หลลไให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอ่ะก็ยังผิดอยู่นะานดดนี่ก็ยังิดอยนะเพราะมันพูดปลดเนี่ยแต่ทีมันเลียงไม่ได้ก็ต้องแบบสบายใจเรายอมไปอาบายก็ไปแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ไม่โกหกเลยก็ไม่เข้าเลยไม่อันี่เลยไม่อันี่เลยถึงเวลาให้มากินคือเราไม่อยากโกหกอได้อย่าไปโกหกกัดีแล้วล่ะวันเดี๋ยวมันจะติดกันนิสัยถ้าจะกินข้าวต้องบอกว่าขอน้าห้องน้ำอย่างเดียว<า>คือเราไม่ปวดแล้วเราอยากกินข้าวเพราะว่าปวดก็ออกมาอง่ายนี้ก็ต้องเลือกแหละ จะจะเลือกงานหรือจะเลือกศีลแล้วก็ต้องเลือกถ้ามันไม่ถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเอาอย่างใดยากสิสอันนี้มีอะไร <c oughs> คือโยมก็เพิ่มาครั้งแรกนะคะแต่มีคำก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆมีคําถามว่าพยายามรักษาศีลห้าเนี่ยแล้วก็ต่อมันจเจริญสติแล้วก็สมาธิแล้วเพื่อที่จ ะ, จะเจริญปัญญาแต่ว่า คาว่าจิตตั้งมั่นหรือว่ามีสมาธิเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีตลอดเวลาหรือเปล่นะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะไหลไปแน่นอนมันต้องตั้งมั่นตลอดเวลาแต่ตอนต้นมันยังไม่มั่นตลอดเวลามันล้มลุกคุกคานไปก่อนต่อไปถ้าอยากจะให้มันตั้งมัน่นต้องปฏิบัติมากขึ้นรักษาศีลห้าไม่พอต้องรักษาศีลแปดจะได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องไปอยู่คนเดียว ไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิถ้าอยู่หลายคนเดียวเรื่องราวต่างๆก็มาทำให้จิตเราไม่ตั้งมัน่นถ้าเราไปอยู่คนเดียวเราจะมีโอกาสที่จะรักษาให้จิตมันตั้งมั่นได้อย่างต่อเนื่อง ني, เป้าหมายที่แ ท, ท้จริงก็ต้องให้มันตั้งมั่นตลอดเวลาให้มันสงบตลอดเวลาเพราะจิตที่สงบนี่มีความสุขมาก แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ตัด ก, กิเลสต่างๆได้เข้าใจนะอ่าการเจริญสติสถานสิ่งนะคะอ่าตามสำนักต่างๆบางทีมีวิธีการฝึกที่แตกตา่างอันนั้นเราก็เข้าใจก็คืออุบายนะคะอะแต่หลักการที่แท้จริงถ้าเราไม่ต้องทําตามรูปแบบอันนั้นนะได้ขั้นต้นก็คือสร้างสติขึ้นมาก่อน สติก็คือให้เราควบคุมความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดของเราให้ได้วิธีไหนก็ได้จะพุทโธก็ได้จะดูเท้ทาดเดินก้าวหนอวางหนออะไรก็ได้ <üğ ums> เป้าหมายก็คือให้เราควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจเราก็จะสงบจะได้สมาธิพอเรามีสมาธิแล้วเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายได้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังปล่อยเพราะเรายัางต้องพึ่งร่างกายอยู่ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แต่พอเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็เลิกพึ่งร่างกายได้ทิ้งร่างกายได้ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายได้ที่ไม่ต้องไปกังวลกับมันได้อันนี้จะเป็นขั้นตอนนี่เราอยู่ที่ขั้นไหนตอนนี้เรามีสติหยุดความคิดได้หรือ ย, ยัง ยังสมาธิทําใจให้สงบให้ตั้งมั่นได้ยังไงถ้ายัางไม่ได้ก็ต้องทําอันนี้ให้ได้ก่อนพอใจเราสงบพอมีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะสงบได้ถ้ายัางไม่มีสตินั่งสมาธิไปก็ไม่สงบก็จะคิดอยู่เรื่ อ, ๆอยๆฉั้นต้องทําเป็นขั้นๆก่อนขั้นแรกต้องทําสติให้ได้ก่อน อ, นอวิธีไหนก็ได้จะยุบหนอพองหนอจะก้าวหนอ่อวางหนอหรือจะพุโทโธพุโทโธไปได้ทั้งนั้น พอาห้เราหยุดความคิดอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วพอเวลานั่งแล้วมันก็ดูลมไปหรือพุโทโธไปแล้วมันสงบก็ได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิพอเรามีความสุขแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายตอนนี้เราพึ่งร่างกายเพราะเราใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราพาเราไปดูพาเราไปฟังพาเราไปดึ่มไปรับประทานอะไร แต่ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิเราก็เลิกใช้ร่างกายได้เพราะร่างกายต่อไปเราต้องใช้มันไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายต่อไปมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ไม่ทุกข์กับมันนั่นนั่นฝึกสตินี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิฝกพิปัจนาต่อไปใช่ใชตามลาดับ ม, มันเป็นขั้นไปไงเหมือนกับต้องขัดคานก่อนทานได้ก็หัดยืนก่อนยืนได้ก็หัดเดิน หัดเดินแล้วก็หัดวิ่งได้มันเป็นขั้นไปข้ามขั้นไม่ได้เระจาใอย่างเหนนะเอากัน้นี้ก่อนนะวันนี้พอดีเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ